ความเข้าใจหลักธรรมตามหลักฐานทางวิชาการชันทะคือคำหลักที่ต้องแยกแยะความหมายให้หายสับสนทางภาษาได้ชี้แจงทำความเข้าใจแล้วว่าความเข้าใจพรามัวสับสนต่อความหมายของความอยาก ที่มองกันแคบๆโดยเอาความอยากเป็นตัญหาไปหมดนั้นเป็นความผิดพลาดเนื่องจากปัญหาทางภาษาเกี่ยวกับความหมายของถ้อยคำภาษาบาลีที่นำมาใช้ในภาษาไทยและรู้เข้าใจกันไม่เพียงพอทีนี้ดูในภาษาบาลีบ้างคำบาลีที่มีความหมายว่าเป็นความอยากก็มีหลายคำและบางคำก็มีความซับซ้อนทั้งในด้านความหมายและในการใช้พูดใช้เขียน พูดได้ว่าชวนให้สับสนมากจึงต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันให้ดีเบื้องแรกขอนาคาสาคัญที่ซับซ้อนมาตั้งให้ดูแล้วสะสางให้คลายสงสัยไปตามลำดับเมื่อเข้าใจหายสับสนในคำสาคัญที่ซับซ้อนนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ดีโล่งตลอดขอย้ำว่าให้ค่อยๆแยกแยะทาความเข้าใจไปตามขั้นตอนจนกว่าจะได้หลักที่ชัดเจน คำสับธรรมในกรณีนี้ที่น่าศึกษาซึ่งมีการใช้ทั้งในแง่ที่เป็นคำกลางสำหรับความอยากมีความหมายพื้นฐานกว้างที่สุดครอบคลุมความอยากในแง่ต่างๆได้ทั้งหมดและในแง่ที่เป็นคำหลักซึ่งมีความหมายเฉพาะทางด้านกุศลเป็นฝ่ายดีได้แก่ฉันทะฉันทะโดยทั่วไปแปลกันว่าความพอใจ แต่ที่จริงแปลได้มากมายหลายอย่างเช่นว่าความยินดีความพอใจความชอบความชื่นชมความอยากความปรารถนาความต้องการความไยความรักความใคร่เพื่อความสะดวกในที่นี้ขอใช้คำแปลคำเดียวเป็นคำกลางไว้ก่อนว่าความอยากเมื่อประมวลความตามที่พระอัตกถาจารย์จัดแยกไว้จาแนกได้ว่า ฉันทะมีสามประเภทคือหนึ่งตัหาฉันทะฉันทะคือตันหาหรือฉันทะที่เป็นตันหาเป็นฝ่ายชั่วหรืออกุศลฉันทะประเภทที่สองกัตตุกรรมมยตาฉันทะฉันทะคือความใคร่เพื่อจะทำได้แก่ความต้องการทำหรืออยากทำบางทีถือเป็นคำกลาง เข้าได้ทั้งกุศลและอกุศลแต่ในที่ทั่วไปท่านใช้ในความหมายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีชันทะประเภทที่สากุศลธรรมะชันทะชันทะในกุศลธรรมหรือธรรมะชันทะที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีงามหรือกุศลมักเรียกสั้นๆว่ากุศลฉันทะแปลว่าความรักดีความฝ่ายดีหรือ ธรรมฉันทะแปลว่าความรักธรรมหรือความใฝ่ธรรมฉันทะข้อที่หนึ่งฉันทะที่เป็นตันหาฉันทะนั้นท่านใช้เป็นไหยพจน์คําหนึ่งของตันหาเช่นเดียวกับราคะและโลภะเป็นต้นฉันทะประเภทนี้ในบาลีมีใช้มากมายที่คุ้นตากันมากคือในคําว่ากามฉันทะ ซึ่งเป็นข้อแรกในนิวรณ์ห้ากามฉันทะนี้ท่านว่าได้แก่กามาตัณหานั่นเองฉันทะนี้บางแห่งก็มาด้วยกันกับไวยพจน์ทั้งหลายเป็นกลุ่มเช่นไหนพุทธพจน์ว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอุปาทานใดๆในจักรสุในรูปในจักขุวิญญาณในธรรมทั้งหลายที่พึงทราบด้วยจักขุวิญญาณและในหมวดอยัยตนาอื่นครบทั้งห เพราะสลัดทิ้งได้ซึ่งฉันทะเป็นต้นเหล่านั้นเราย่อมรู้ชัดว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วแต่ส่วนมากมาลําพังโดดๆถึงกระนั้นก็สังเกตไม่ยากว่ามีความหมายเท่ากับตันหาเพราะถ้าเอาคําว่าตันหาใส่ลงไปแทนที่ฉันทะในกรณีนั้นๆก็จะได้ความเหมือนกันเช่นฉันทะในภพฉันทะในกามาคุณทั้งหลายฉันทะในกาย ฉันทะในเมถุนฉันทะในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นอัตตาคือรูปเวทนาเป็นต้นและในเสียงกลิ่นรสเป็นต้นที่สร้างรูปเป็นสับเฉพาะอย่างเดียวกับตัณหาก็มีเช่นรูปฉันทะสัทธฉันทะคันทฉันทะรัศฉันทะโพธะภะฉันทะและธรรมะฉันทะ หมายเหตุเชิงอัดพึงสังเกตด้วยว่าคําว่าธรรมันทะในกรณีนี้หมายถึงอยากในธรรมมารม์คือสิ่งที่ใจคิดเป็นคนละอย่างกับธรรมันทะในข้อที่สามที่เรียกเต็มว่ากุศลธรรมันทะแม้แต่ฉันทะในคนก็มีซึ่งก็หมายถึงความรักใคร่หรือความมีใจผูกพันนั่นเองดังจะเห็นได้ชัดในคันทะพกสูตร ตรัสถึงฉันทะในบุตรและพันรยาและในสูตรเดียวกันนี้ตรัสว่าฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข์ตรงกับที่ตรัสในอริยสัจข้อที่สองว่าตัณหาเป็นสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์และอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าพึงละฉันทะในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากับที่ตรัสในธรรมจักว่าตัณหาเป็นสิ่งที่พึงละเสีย ชันทะข้อที่สองชันทะที่เป็นกัตตุกรรมมยตาชันทะหมายถึงความต้องการจะทำหรือความอยากทำดังได้กล่าวแล้วชันทะประเภทนี้ตรงกับที่อภิธรรมจัดเข้าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งในจาพวกปกินกะเจตสิก ค, คือเจตสิกที่เรียรายแพร่กระจายทั่วไปเกิดกับจิตฝ่ายกุศลก็ได้ฝ่ายอากุศลก็ได้ กตุก ร, รมมยตาฉันทะที่คุ้นกันดีที่สุดก็คือฉันทะที่เป็นธรรมข้อแรกในอิทธิบาทสอิทธิบาทสมีที่มามากมายเช่นในสุตตันตปิฎกทีนิกายปาติกวกัตรอภิธรรมปิฎกวิพัง์พระอภิธรรมปิฎกวิพังคปกรสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวารวกักและที่เป็นสาระของสัมมปทานทั้งสี่ข้อ ชันทะประเภทนี้มีความหมายใกล้เคียงกับวิริยะหรือวายามะหรือความพยายามและอุตสาหะบางทีท่านก็กล่าวซ้อนกันไว้เพื่อเสริมความหมายของกันและกันนับว่าเป็นคุณธรรมสำคัญที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมและการบาเพ็ญกิจกรณีต่างๆอย่างไรก็ดีกตุ ก, กรรมมยตาชันทะนี้ท่านมักรวมเข้าไว้ด้วยกันกับชันทะประเภทที่สาม คือกุศลธรรมฉันทะเสมือนจะถือว่าฉันทะสองประเภทนี้เป็นอย่างเดียวกันเช่นฉันทะในอิทิบาทสและในสัมมประธานสี่นั้นก็เป็นทั้งกัตตุกรรมยาตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะดังนั้นจึงขอผ่านไปยังฉันทะประเภทที่สามทีเดียวส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมจึงจัดกัตตุกรรมยาตาฉันทะเข้าร่วมกับกุศลธรรมฉันทะ จะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าฉันทะข้อที่3ามฉันทะที่เป็นกุศลธรรมฉันทะที่เรียกชื่อเต็มมีที่มาแห่งหนึ่งในพระสูตรซึ่งตรัสแสดงองค์ประกอบ6ประการอันยากที่จะปรากฏให้ได้พบในโลกองค์ประกอบ6ประการนี้ยากที่ใครๆจะได้ประสบครบถ้วนถ้าประสบเข้าแล้วก็นับว่าเป็นโอกาสดียิ่ง เพราะเป็นการได้ปัจจัยต่างๆพรั่งพร้อมบริบูรณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมหรือเจริญก้าวหน้าในอารยธรม ร, ธรมกุศลธรรมฉันทะนี้เป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายในหข้อนั้นซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้บุคคลได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือสามารถดาเนินชีวิตที่ดีงามเพราะบุคคลใดแม้จะมีองค์ประกอบ5ข้อแรกครบถ้วนแล้วแต่ถ้าบุคคลนั้น ขาดกุศลธรรมมชันทะสี่อย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้องค์ประกอบข้ออื่นๆให้เป็นประโยชน์ได้ดังพุทธพจน์ณที่นั้นว่าภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งองค์ประกอบหกประการเป็นของหาได้ยากในโลกคือความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว 1. การได้กำเนิดเกิดมาในทินแดนของอารยะชนหรือที่เรียกว่าอาริยายตนะหนึ่งความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง 1. ความไม่เป็นใบเบอะบะปัญญาอ่อน 1. ความใฝ่ในกุศลธรรมหรือที่เรียกว่ากุศลธรรมฉันทะหนึ่งฉันทะที่กล่าวถึงในการปฏิบัติธรรม ส่วนมากเป็นฉันทะในสัมมัปปทานสีคือในข้อความว่าบุคคลนั้นยังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามระดมความเพียรยกชูจิตไว้ยืนหยัดเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเพื่อความดำรงอยู่ ไม่เลื่อน่างไปเพื่อความเพิ่มพูนไพยบู์เจริญบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วขอแทรกตรงนี้พึงสังเกตเป็นพิเศษว่าพุทธพจน์นี้ซึ่งถือเป็นคำจำกัดความของสมมับประธานที่แปลว่าความเพียรชอบความเพียรสมบูรณ์แบบแสดงฉันทะว่าเป็นตัวนาหรือตัวแท้ของความเพียรที่เป็น โพธิปักขีย์ธรรมแม้ชันทะที่มาในข้อความอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็มีรูปความคล้ายกันเช่นชันทะเพื่อบรุกุสลธรรมทั้งหลายชันทะในการสมาทานสิกขาชันทะเพื่อเจริญปัญญนรีทำนองเดียวกันนี้ในขั้นรวบยอดเลยทีเดียวเช่นชันทะเพื่อละสัพพกิเลสเกิดฉันทะในนิพพาน ดังนั้นจึงจัดว่าเป็นทั้งกัตุกรรมมยตาฉันทะและกุศลธรรมฉันทะคือเป็นทั้งฉันทะที่อยากจะทําและเป็นฉันทะในสิ่งที่ดีงามพูดง่ายๆว่าต้องการทําสิ่งที่ดีงามคัมภีวิพังแห่งพระอภิธรรมปิดกอธิบายฉันทะในสัมมปทานสี่และในอิทิบาทสี่ว่าเป็นกตุกรรมมยตากุศลธรรมฉันทะดังความตามบาลีว่า ในประทานสี่มีข้อความว่าฉันทะฉัเนตีติตัดธกตโมฉันโทโยฉันโทฉันติกตากัตตุกรรมมยตากุสโลธรรมมัดฉันโทอยังวุจติฉันโทแปลว่าบทว่ายังฉันทะให้เกิดไขความว่าฉันทะเป็นชะไหนความพอใจ ความมีใจฝยอยู่ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทำฉันทะในธรรมซึ่งเป็นกุศลอันใดนี้เรียกว่าฉันทะในอิทธิบาทสี่มีข้อความว่าตัทธะกะตะโมฉันทิทิปาโทอิทะพิกุยัสมิงสมเยโลกุตรังชานังพาเวติโยตัสมิงสมเยฉันโทฉันทิกตา กัตุกรรมมยตากุสโลธ ร, รมมัดฉันโทอยังวุจติฉันทิทธิปาโทแปลว่าในอิทธิบาทสี่นั้นฉันทะอิทธิบาทเป็นไนในสมัยใดภิกษุในธรรมวินัยนี้จเจริญโลกุตระฌานความพอใจความมีใจใยอยู่ความเป็นผู้ใคร่ที่จะทำฉันทะในธรรม ซึ่งเป็นกุศลอันใดในสมัยนั้นนี่เรียกว่าฉันทะอิทธิบาทคำอธิบายในคำพีวิพังข้างบนนี้นับว่าเป็นต้นแบบของคำอธิบายฉันทะฝ่ายดีในอัตตกถาทั้งหลายและคงจะเป็นต้นเขาของการจัดเอาฉันทะประเภทที่สองมารวมเข้าเป็นข้อเดียวกับฉันทะประเภทที่สามนี้